ทรงอนุญาตยานพาหานะพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตยานแก่ภิกษุณีผู้เป็นไข้และจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้